ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปัตพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาตรเจนาถึงเรื่องของอธิคมสัตธรรมถามว่าอธิคมสัตธรรมนั้นอย่างไร แก้ว่ามรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งชื่อว่าอาธิคมสัตยธรรมมรสแปลว่าหลทางทำแปรตการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นระยะสัตย์สีสัมมาสัสางกปัปปะความดำริชอบคือความดำริประกอบ ด, ด้วยเนคข ม, มะอัพยาบาทแล้วก็อวิหิงสาสัมมาวาจาวาจาชอบคือความเว้นจากวัะชทุจริตสี่อย่างก็คือเว้นจากการพูดปดจากการพูดคำหยาพูด ต่อเสียจากการพูดเผอเจอสัมมากรรมันโตก็ได้แก่การงานชอบคือความเว้นจากกายะทเจตสามอย่างเว้นจากการฆ่าสัตว์รับทรัย์ประพฤติผิดในการมสัมมาอาชีโว o, ความเป็นอยู่ชอบก็คือความละมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยความเพียรเป็นเครื่องเป็นอยู่โดยชอบก็เว้นจากกายะทุจริศสามวิชีทุจริศสีที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพเลี้ยงชีพอยู่สัมมาวายามโมความพยายามชอบก็คือสัมมปทานสี่ แในแการเพียรในการที่จะสังวรไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่ากให้เกิดขึ้นเพียรระวังเพียรระบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรในการเจริญกุศลคือสมถะวิปัสนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษนาประทานก็หมายถึงเพียรรักษากุศลคือสมถะวิปัสนาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาวายาโม О. สัมมาสติ ความระลึกชอบคือสติปัฏฐานสี่ระลึกเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมอยู่บ่อยๆเนืองๆสามมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบก็คือฌานสี่ปฐมฌานทุติยฌานปติยฌานเจตจัจฌ า, านรวมทั้งอุปจาระสมาธิด้วยนะเจตสิกธรรมแปดนี้ชื่อว่าองค์แห่งมัชก็ เ, เรียกว่ามัรขังคะประชุมแห่งธรรมแปที่เกิดพร้อมกันทั้งจิตของตนของตนนั้นชื่อว่ามัชเพราะเป็นทางแห่งพระนิพพาน ดววหาระบัญญัติแห่งพระพุทธเจ้าพระเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ามัจเป็นของพระอริยเจ้าประกอบด้วยองแปดผลนั้นแปลว่าความเพ็ดออกคือความแก่ความสุขมาแต่มัจได้แก่ความระงับแห่งประโยคน์ในการออกจากกิเลสแห่งสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นก็คือองค์ของมัจมีองแปดนั้นทํากิจในการละกิเลสแต่ว่าความระงับประโยคคือไม่ต้องมีการละอะไรแล้วสวยแต่ผลอย่างเดียวนี้นะ เรียกว่าผลซึ่งว่ามรสีผลสี่นั้นก็คือโสดาปฏิมรสโสดาปฏิผลสกธาคามิมรสสกธาคามิผลอนาคามิมรสอนาคามิผลอารหัตมรสอรหัตผลซึ่งมรสผลเป็นสิ่งละสี่ละสี่นี้ตามนิยมก็คือตามกําหนดที่มลักิเลสนั้นๆได้และคุณที่สมเร็จมาแต่การมลักิเลสจะกล่าวด้วยกิเลสที่มรสนั้นๆจะพึงมลสได้ก่อน สังโยชน์นั้นมีติปก็คือสกายะทิฏฐิความเห็นผิดอาศัยขันชื่อว่าสกายะเป็นไปคือความเห็นซึ่งรูปโดยความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเราเป็นรูปดังประทีปน้ํามันตามอยู่เห็นว่าเปลวเป็นแสงแสงเป็นเปลวเปลวไปอันใดก็แสงสว่างก็อันนั้นแสงสว่างอันใดก็เปลวไปก็อันนั้นเหมือนกับรูปเป็นเราเราเป็นรูปนี่นะและเห็นว่าตนมีรูปดังต้นไม้มีเงา ตนมีตนอย่างหนึ่งแล้วก็มีรูปอย่างหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยตนเนี่ยมีรูปเหมือนกับต้นไม้มี pe, เงาและเห็นว่ารูปในตนดังกลิ่นในดอกไม้มีตนนะแต่ตนอยู่ในรูปร่างกายนี้เหมือนกับกลิ่นในดอกไม้และเห็นว่าตนในรูปดังแก้วมณีในพระอกตนตั้งหากแล้วก็รูปอย่างหนึ่งนั้นก็มีตนในรูปนี้เมื่อครู่นี้มีรูปในตนมีตนนี่มันแพร่รัศมีอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นแต่รูปนั้นอยู่ในตน ก็ถือนามเป็นตนแต่รูปก็อยู่ในานามอันนี้สี่นี้เห็นว่าตนในรูปมีตัวตนก็คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในรูปนี้อเจ้าสี่ยามนามธรรมนั้นเป็นตนแต่รูปนี้เป็นรูปดัง <c flower> แก้มณีในพระอกเห็นเวทนาสัญญ า, ส, ญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเป็นเราเราเป็นผู้เสวยผู้หมายผู้ตั้งใจผู้รู้วิเศษความเสวยความหมายความตั้งใจความรู้วิเศษเป็นเราดังนี้ก็สักายติทิในขันห้า โดยอาการสี่อย่างเนี้ยเห็นว่าเห็นรูปเป็นตนเห็นตนเป็นรูปเห็นตนมีรูปแล้วก็เห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเวทนาสัญญาพึงขานก็เหมือนกันก็เลยกลายเป็นกายะทิฏฐิยี่สิบอันนี้สกายทิฏฐินี่อย่างหนึ่งเป็นสังโยชน์เครื่องถูกวิจิกิชาความเครือบแคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในการทั้งสาม วิจิตรคขาก็สงสัยในขันธ์ญาณตนะอะไรด้วยสงสัยในภพเมตตามะสองในสิกขาแล้วก็ศีละประจักรามาสความลูกคลำคือถือว่าบริสุทธิ์ด้วยสีลวัดภายนอกาศาสนาคือปกติธรรมเนียมดังโคเป็นต้นหนึ่งก็ไปถือโควัดกุกุระวัดปฏิบัติตามชุนักตามโคแล้วก็หมุนไปตามธาตุทิศเป็นต้นการมราโคความกําหนัดความย้อมใจในการมคุณมีสิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นหนึ่ง พยาบาทความปองร้ายโทสะวิการก็คือความคิดรูปไปเกิดจากอานาจของโทสะคิดความพินาศแห่งสัตว์อื่นหนึ่งรูปปราโข ค, ความกําหนัดยินดีในรูปคือรูปราวจรฌานและรูปปาวจรภพหนึ่งความยินดีในรูปชารูปภพนี้เรียกว่ารูปปราคะอรูปปราโข ค, ความกําหนัดยินดีในอรูปธรรมคืออรูปราวจรฌานแล้วก็อรูปปาวจรภพหนึ่งมาโนความสําคัญว่าเป็นราวราวประเสริฐ เราเหมือนเขาเราต่ำกว่าเขาเป็นต้นหนึ่งอุททัดจังความฟุ้งซ่านไม่สงบหนึ่งแล้วก็อวิชชาความไม่รู้แจ้งสัจจะของจริงสี่หนึ่งคือไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองอันนี้อันสุดท้ายอาวิชชาเป็นสังโยชนี่เรียนติดนี้ชื่อว่าตังโยชนเพราะเป็นของประกอบเป็นของสืบซึ่งขันด้วยขันแลนะสืบกรรมด้วผลก็คือประกอบไว้ไม่ให้พราดจักันเป็นตัวที่ประกอบพร้อม หรือว่าเป็นเครื่องผูกก็ได้นะเป็นเชือกสิบเส้นที่คอยผูกมัดไว้ไม่ให้หลุดไปได้อันหนึ่งเพราะเป็นของประกอบสัตว์ไว้ด้วยทุกจึงได้ชื่อว่าสังโยชน์สกาญาติฐิวิจิกษษษษษษิจฐาสีรพจตกรรามาต์กามราคะพยาบาทห้าอย่างนี้ชื่อว่าโอรัมพาคิยะสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เป็นส่วนข้างล่างคือส่วนเบื้องต่าคือการมาพบพราะเป็นของทำสัตว์ให้เกิดในการมาพบซึ่งเป็นส่วนเบื้องต่า สังโยชน์เบื้องปลายสังโยชน์ในเบื้องบนห้าอย่างก็คือรูปะราคะอารูปราคะมานะอุทธะอวิชชานี้ชื่อว่าอุทธำพานคิยาสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เป็นส่วนเบื้องบนเพราะว่าเป็นกิเลสอันละเอียดมีแก่สัตว์ที่บังเกิดในรูปประพบและอรูปปพบและกระทำสัตว์ให้บังเกิดในรูปประพบและอรูปประพบสังโยชน์สามคือสกายยะทิคีวิจิกิจชาสิลพตปรามาศโสดาปฏิมักฆ่าตายมะละได้ขาด ตับมะละกาเมราคฆพยาบาทที่เป็นอัตยัคามีเป็นกิเลสกล้ายยังสัตว์ให้เกิดในอบายได้อัตยคามีหมายถึงว่าไปตัวอบายการมราคฆพยาบาทสองนี้เป็นส่วนหยาบสกิทาคามิมัตฆ่าตายมาละไดขาดเพราะสกิทาคามิมัตทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางเป็นการละแบบตนุกระประหารละโดยการทำให้เบาบางจึงมละกิเลสเช่นนั้นได้การมราคฆพยาบาท สองสังโยชน์ซึ่งเป็นกิเลสอันละเอียดเหลืออยู่นั้นอาาคามิมักก็ฆ่าตายมละได้ทีเดียวอุทธทมภาคียสังโยชน์เบื้องปลายห้านั้นอรหัตมัคฆ่าตายมละได้ขาดไม่เหลือเลยทีเดียวนี้แลชื่อว่ามักมีเป็นสี่โดยนิยมแห่งกิเลสทหารคือกำหนดตามการลกิเลสการมละกิเลสนั้นดังนี้แลให้นักปราดพึงรู้เถิดส่วนผลเล่า ซึ่งว่าเป็นสี่นั้นก็ตามนิยมแห่งมักเพราะว่าโสดาปฏิมักเกิดขึ้นสําเร็จกิจของตนคือฆ่าสังโยชน์สามขาดแล้วดับไปโสดาปฏิผลจึงมีเป็นคุณคือความระงับแห่งความขวนขวายในที่จะฆ่าสังโยชน์อันนั้นอีกก็เกิดขึ้นในลําดับแห่งโสดาปฏิมัคนั้นแม้ตกิตาคาิผลอนาคามิผ ล, อ า, ผลอารหัตผลเหล่านี้เล่าก็เหมือนกัน เพราะว่าเป็นคุณความระงับแห่งประโยคในที่จะออกจากกิเลสค่ากิเลสนั้นนั้ น, น, นเกิดขึ้นในลำดับแห่งมรคนั้นน น, นี้แลผลซึ่งว่าเป็นสี่โดยนิยมแห่งประโยคปัจฉิความระงับแห่งประโยคนั้นดังนี้อันหนึ่งมรคเป็นต้นเหตุคือเป็นโลกุตระกุศลผลเป็นความแก่ความสุขแห่งมรคคือเป็นโลกุตระวิบาผลมาแต่มรค มักก็มาแต่โคตรตรูโคตรตรูก็มาแต่อนุโลมอนุโลมก็มาแต่อุปจาระอุปจาระก็มาแต่สังขารูปเปกขาญาณซึ่งเป็นญาณที่สิทธิปัจนานญาณที่สิทเป็นญาณสุดท้ายที่อยู่นอกมรรควิถีนอกนั้นก็เป็นมรรควิถีและตั้งแต่อุปจาระอานุโลมโคตรตรูนี้ก็เป็นมรรควิธี อปปจาระก็มาแต่สังขารุเปฆายาณคือโตัวิปัสนาปัญญาที่มีกําลังกล้ากว่าวิปัสนาญาณทั้งเจดมีสัมมณะญาณเป็นต้นจึงก็แสดงนะว่าผลเนี่ยมาแต่มรรคมรรคนั้นก็เป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตระปัจจัยนะเป็นอนันตระปัจจัยแต่ไม่ใช่อนันตระปัจจัยเท่านั้นแหละเป็นอนันตระปัจจัยด้วยอนันตารูปะนิสยปัจจัยด้วยสมานันตระปัจจัยด้วยเป็นนัภถิปัจจัยเป็นวิคตะปัจจัย เจตนาในมรรคนั้นก็เป็นอนัตตะกรรมปัจจัยแก่ผลก็คือโลตระวิบาที่สืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นรวมต่อดวงนั่นแหละโคตรภูนั้นก็มาแต่อนุโรมก็โดยอนันตะปัจัยสมนันตระปัจัยอนันตารูปปนิสิกยปัจจใจนัตถิปัจจัยวิกตะปัจัยอุปจาระก็โดมต่อดวงนี้ก็ปัจใจห้าอย่างอนันตะชาตปัจใจห้าอย่างนี้ก็จิดทุกดวงเลยต้องเป็นปัจจัยโดยอนันตะปัจใจห้าอย่างนี้เพราว่าถ้าเป็นในชาวนะ ที่เป็นกุศลอกุศลกิริยาของพระอรหันต์นี้ก็จะเพิ่มอาเทวนาปัจจัยด้วยก็วิปัสสัญญาณที่กล้าบอกวิปัสสัญญาณทั้งหลายทั้งเจ็ดนี้ก็เรียกว่าสังขารุเิขายานการเจริญวิัสนาจะเริ่มตั้งแต่สัมมาสัญญาณตามพระบาลีแต่ว่าจะเริ่มต้นจริงๆก็ต้องนามะรูประบริเชตยานวิปัสสนญญาณที่หนึ่งมรรคผลบังเกิดในวิถีจิตอันเดียวกันจิตซึ่งจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดี เป็นไปในขณะแห่งโชนะคือความเล่นไปแห่งจิตโชนะจิตแล่นไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งพระโยคาวจรเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนด้วยปัญญาอันแก่กล้าจนเพลิดเฉยในสังขารทั้งปวงความเห็นดังนั้นชื่อว่าสังขารูปเปขายานสังขารูปเปขายาณเมื่อมีกาลังกล้าแล้วในขณะมักจะเกิดขึ้นนั้น จิตอันสมบยรต์ด้วยสังขารูปเปกขาญาณลงสู่พวังแล้วมโนทวาราวัชนะจิตซึ่งเป็นกิริยาเกิดขึ้นแล้วชวนจิตเป็นไปเจ็ดครั้งชวนจิตที่ต้นชื่อว่าบริกรรมโวนจิตที่สองชื่อว่าอุปจาระชวนจิตที่สามชื่อว่าอนุโลมชวนจิตที่สี่ชื่อว่าโคตรภูชวนจิตที่ห้าเป็นวาระแห่งมัตโวนจิตที่หกที่เจ็ชื่อว่าผลปัญญาที่มีในจิต ลักษณะทั้งสามคือบริกรรมอุปจาระอนุโลมนั้นรวมการเข้าเรียกว่าอนุโลมยา ม, มีตามขณะปัญญาในจิตสามขณะเป็นมหาวุสสญาณะสามยุทธที่เรียกว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมปัญญาในสามขณะนี้เรียกว่าอนุโลมยามเพระว่าคล้อยตามซพราเป็นของอนุโลมแก่วิปัสสนาญาณทั้งแปดมีสมมสนาญาณเป็นต้นในเบื้องตา่าและเป็นของอนุโลมแก่โพธิปัิยธรรมตานที่เจ็ดในเบื้องบน ปัญญาในขณะจิตที่ชื่อว่าโคตรตรูนั้นเรียกว่าโคตรภรูยานเป็นมหากุสร ญ, ญาณสัมยตโยที่สเพราะเป็นปัญญาครอบงำเสียซึ่งโคตรคือภูมิแห่งปุดชชนจะยังเข้าสู่อริยภูมิปัญญาในขณะมัคคิตนั้นชื่อว่ามัคคยานเพราะกระทากิจสี่ประการคือปริญญากำหนดรู้ทุกหนึ่งปหารมละกิเลศหนึ่งสัจจิติยาเห็นพระนิพพานหนึ่ง ภาวนาให้มักเกิดขึ้นหนึ่งปัญญาในขณะผลลจิตนั้นชื่อว่าผลละยานก็เป็นความระงับแห่งกระโยกในที่จม马拉กิเลสก็ อ, อนุโลมยานสามนั้นเป็นโลกิยากุศษโลกิยะปัญญากระทั่งสังขารเป็นอารมณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลของสังขารุตปปิขายาณ น, นั่นแหละที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นอนัตตาแต่ว่าอนุโลมยานนั่นก็ มีความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเตรียมจะออกแล้วถ้าออกด้วยความไม่เที่ยงก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยศีลมีมากด้วยศรัทธาอธิโมกข์มีกําลังถ้าเป็นพิจารณาแล้วออกด้วยทุกขังก็แสดงว่าสมาธิสมาธิสีมีกําลังมากด้วยปัจสัานะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ออกด้วยอนตัตตาแสดงว่ามีปัญญาปัญญีสีมากด้วยเวท และเป็นยานที่สุดแห่งวุฒฐานะคามินีวิปัสนาสําหรับอนุโลมยานเนี่ยเป็นวุฒฐานะคามินีวิปัสนาเป็นยานสุดท้ายซึ่งมีสังขารเป็นอารมณ์ก็คือมีนามธรรมหรือรูปธรรมที่เป็นไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าโดยนิรว瓦เศจก็หมายถึงว่ามิมีส่วนเหลือเลยโคตรคูญานเป็นที่สุดแห่งวุฒฐานะคามินีวิปัสนาหมายถึงว่าเป็นยานสุดท้ายของความที่เป็นโลกิยะเป็นโลกยะ ยังไม่ขึ้นตูโลกุตระแต่ถ้าว่าเป็นโลกิยะปัญญาปล่อยสังขารยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ตรพูนี้เป็นโลกิยะปัญญาแต่ว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นเอกตูวุ ธ, ธานออกอย่างเดียวออกฝ่ายเดียวก็คือออกจากสังขารก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ออกจากขันห้าได้แล้วแต่ว่ายังออกจากกิเลสไม่ได้และเป็นญาณตั้งอยู่ในที่เป็นอาวัชนะแห่งมัช โลคยะปัญญาอันเห็นพระนิพพานก็มีอยู่แต่โคตรตรพูนี้สิ่งเดียวแต่ทว่ามาละกิเลสไม่ได้เพราะอะไรที่รักกิเลสไม่ได้เพราะว่ายังเป็นโลคยะอยู่ยังเป็นโลคยะอยู่ความประชุมพร้อมของมรรคองค์แปดยังไม่เกิดขึ้นในโคตรตรพูยานจะเป็นประชุมพร้อมกันในมัรขยานมัรขยานจะโลกุตรากุตโสนโลกุตราปัญญากระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์ฆ่ากิเลสได้ จึงจัดเป็นโลกุตระกุศลโลกุตระปัญญาผลลยามก็เป็นโลกุตระปัญญากระทำครั้งนิพพานให้เป็นอารมณ์แต่ทว่าไม่ต้องฆ่ากิเลสเป็นแต่อานิสงส์คือความระงรับแห่งความขวนขวายในที่จะฆ่ากิเลสเท่านั้นจึงจัดเป็นโลกุตระวิบาเป็นผลสุขมาแต่มรรคอันหนึ่งผลกิจในมรรควิถีนี้เป็นสามก็มี ก็อนุโลมจิตเป็นแต่สองไม่เป็นสามดังวาระก่อนโคตรภรูจิตเป็นที่สมมัคจิตเป็นที่4ีผละจิตจึงเป็นสามดังนี้ก็แลผละจิตนั้นลงสู่ภวังแล้วมโนทวาราวชนาจิตเกิดขึ้นแล้วต่อไปมักคะปัจเวคณญาณคือปัญญาที่พิจารณามัค ก, ก็เกิดขึ้นแน่นไปเจดครั้งเหมือนกันแม้ถึงผลปัจเจคณญาณปัญญาพิจารณาผลและปยีนกิเลสปัจเวคณญาณ ปัญญาพิจารณากิเลสที่มักมาละแล้วก็ดีและอวะสิทธกิเลสปัจเวกขณะยานปัญญาพิจารณากิเลสที่เหลืออยู่ก็ดีและนิพพานปัจเวกขณะยานปัญญาพิจารณาซึ่งพระนิพพานก็ดีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตามลาดับโดยนิยมดังกล่าวแล้วในมัดคะปัจเจกขณะยานนั้นปัจเจทขณยานทั้งห้านี้ย่อมเกิดมีแก่พระอริยเจ้าบงต่ำสามคือ ถ้าตัวาบาลพระสกิธาคามีพระอนาคามีแก่พระอรหันต์นั้นมีแต่สี่าะอาวะิทธิกิเลสะปัจเจกคณญาณไม่มีคือกิเลสที่เหลืออยู่นี้ไม่มีแล้วซึ่งกล่าวมานี้ไม่นิยมว่ามักว่าผลใดเป็นแต่กล่าวโดยสามัญเพื่อจะให้รู้ลำดับวาระแห่งมรรคจิตและผลจิตเท่านั้นก็แลมักทั้งสี่ละสิ่งละสิ่งเกิดในจิตตะวาระอันเดียวทุกมักมักไม่เกิดหลายครั้งเหมือนดังผล ส่วนผลทั้งสี่นั้นละสิ่งละสิ่งหมายถึงว่าแต่ละอย่างแต่ละผลแต่ละผลในมรรควิธีอันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดสองสามครั้งบ้างดังกล่าวมาแล้วเกิดสองหรือสามครั้งก็ได้นะบางที่บอกว่าเกิดครั้งเดียวก็มีแต่ในผลสมาบัติวิธีคือความที่พระอริยเจ้านั้นๆจะเข้าสู่พระสมาบัติตามผลนิยมตามกำหนดแห่งตนๆผลจิตนั้นเกิดสามครั้งบ้างสี่ครั้งบ้าง เพราะมัคคิจจ์นั้นไม่มีในวิถีแห่งผลแลสมบัติในผลสมบัติไม่มีมัคไม่มีมัคคิจจ์มีแต่ผลเพรฉะนั้นก็เกิดสามครั้งบ้างสี่ครั้งบ้างด้วยว่ากิจที่จะฆ่ากิเลสที่มัคหน้า น, นั้นจะฆ่าแล้วอีกไม่มีแก่พระอริยเจ้าผู้ได้แล้วซึ่งผล น, นั้นอันนี้หมายถึงเข้าพระสมบัติที่ไม่มีกระแสของฌานแนบแน่น ถามีกระแสของชานเป็นผู้ที่ได้ฌามนมาด้วยก็เข้าพรลังสมบัติเป็นกระแสยาวเลยเป็นวันๆคืนๆก็ได้แต่ว่าของผู้ที่ไม่ได้เจริญวัตถิภาชฌนาจากการที่ได้ฌาน ก, ก็อาจจะเข้าชั่วพักหนึ่งวาระหนึ่งออกวาระนั่นออกนึ่งจะน้อมไปในการเจริญพัฒนาก็จะมีพรจิตเกิดได้เหมือนกันอันหนึ่งพระอริยเจ้าผู้ได้ซึ่งโสดาบัตทิพยผลแล้วชื่อว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นบางองค์งนั่งอยู่ในอาสนะที่ได้ผลนั่นเอง จะรียนวิปัสนาต่อๆขึ้นไปได้สกิทาคามิมักสกิทาคามิผลและอนาคามิมักอนาคามิผลและอารัตตมักอารัตผลโดยลำดับก็มีบางองค์ลุกจากอาสนะนั้นแล้วไปในสมัยอื่นจะรียนวิปัสนาต่อๆขึ้นไปแล้วแลได้ถึงซึ่งมักและผลนั้นๆโดยลำดับก็มีก็แลโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลแปลว่ามักว่าผลแห่งพระผู้แรก ถึงซึ่งทำชื่อว่าโสตคือมัคโสตสัตย์นี้แปลว่ากระแสน้ําแต่ในที่นี้โสตสัตย์เป็นชื่อแห่งมัคเพราะว่ามัคเป็นดุจหนึ่งว่ากระแสน้ําอันหนึ่งที่จะชัดพาให้ตับ ถ, ถึงพระนิพพานก็เหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิบานะนินนาภิกขเวสัมมาดิธินิบานาโปนานิบานะปัพาราแปลว่า ดูความพิจิทั้งหลายสมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นประธานแห่งองค์มรรคย่อมเป็นธรรมอันลุ่มไปถูกพระนิพพานเป็นธรรมอันน้อมไปถูกพระนิพพานเป็นธรรมอันเงื้อมไปถูกพระนิพพานดังกระแสะแห่งแม่น้ําอันลุ่มไปน้อมไปเงื้อมไปถูกพระมหาสมุทรทะเลใหญ่ฉะนั้นพระอริยเจ้าพูดถึงมรรคผลที่ต้นชื่อว่าเป็นคนแรกลงกระแสะแห่งพระนิพพานคือมรรคเพราะฉะนั้นจึงได้แปลดังนี้ สกิทาคามิมักสกิทาคามิผลแปลว่ามักว่าผลแห่งพระผู้มาคราวเดียวเพราะว่าพระอริยเจ้าพูถึงซึ่งผลที่สองนี้ย่อมจะมาเกิดในการมาพบนี้อีกครั้งเดียวแล้วจั ก, กระทำซึ่งที่จุดแห่งทุกข์คือถึงพระอรหัสต์แล้วแลนับขันด้วยอนุปาทิเสสานิพานตัาภานาคามิมักอนาคามิผลแปลว่ามักว่าผลแห่งพระผู้ไม่มา เพราะว่าพระอริยเจ้าผู้ได้ถึงผลที่สามนี้ย่อมจะไปประเกิดณนะพรมโลกชื่อว่าสุดทาวา่นีิหมายถึงต้องได้ฌานห้าโดยปัญจกนยัยหรือว่าฌานสี่โดยเจตุ ก, กนยัยจึงจะไปเกิดในสุดทาวาาได้ถ้าเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามก็ไม่าามมมมมไปสุดทาวาาจะไปพรมโลกชั้นปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิตัิยฌานภูมิก็เมื่อไปสุดทวาาแล้วแล่ปรินิพานในพรมโลกนั้น มีอันไม่ปรับจากปรมโลกนั้นมาเกิดในกาลประพบนี้อีกเป็นธรรมดาอรหัตตมัสแปลว่ามัสเป็นที่มาแห่งความเป็นพระอรหันต์อรหัตผลแปลว่าผลคือความเป็นพระอรหันต์พระอริจ้าผู้ได้ผลที่ตีนี้ชื่อว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไกลกิเลสดับขันแล้วไม่มีพบใหม่อีกก็แลมัสนั้นเป็นผู้ฆ่ากิเลสดังพระมหากษัตริย์กระทําศึกด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นศัตรูในราชธานีอื่นจับกษัตริย์ซึ่งเป็นศัตรูพิฆาตฆ่าเสียผลเป็นอนิสงฆ์แห่งมัชที่พระอริยเจ้าจะพึงได้พึงเสวยดังราชสมบัติอันมหากษัตริย์นั้นพิฆาตฆ่าซึ่งกษัตริย์ผู้เป็นศัตรูแล้วได้เสวยสุขสำราญฉะนั้นถามว่ามัช ม, ะมะละกิเลสอันใดกิเลสนั้นเป็นอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันแก่ว่า กิเลสที่เป็นอดีตก็ดับล่วงไปแล้วกิเลสที่เป็นอนาคตเล่าก็ยังไม่บังเกิดทั้งสองนี้ไม่เป็นวิสัยที่มักจะมาลักกิเลสที่เป็นปัจจุบันเล่าก็ไม่มีในขณะแห่งมักเพราะว่ากิเลสนั้นไม่มีเสียแล้วแต่ในขณะแห่งโลกิยะวิปัสนาปัญญาเบื้องต้นถ้าจะว่ากิเลสมีในขณะแห่งมักแล้วไซมักขะภาวนาก็จะเป็นสาสวร์กอบด้วยอาสวะคือกิเลสอันหนึ่งไม่เช่นนั้น อกุอกุศลทั้งสองซึ่งเป็นค่าศึกกันก็จะเป็นอันเกิดพร้อมกันในขณะจิตอันเดียวกันได้ข้อซึ่งว่ามัคมะละกิเลสนั้นประสงค์เอากิเลสซึ่งควรจะบังเกิดในขันธ์ทั้งห้ามีรูปเป็นต้นซึ่งเป็นภูมิแห่งวิปัสสนาที่ชื่อว่าภูมิรัทุก ป, ปันนกิเลสกิเลสมีภูมิคือขันธ์ห้าอันได้แล้วบังเกิดขึ้นดังรบแห่งปัตวีธาตุและอาโปธาตุอันชาตอยู่ในรากไม้ลำต้น กิ่งใบดอกผลทั้งปวงฉะนั้นมักเมื่อเกิดขึ้นในขันธสันดานแห่งท่านผู้ใดแล้วขันธสันดานแห่งผู้นั้นได้ต้องสัมผัสแห่งมัดที่เกิดขึ้นนั้นขันธสันดานแห่งผู้นั้นชื่อว่าเป็นขันธสันดานอันตายด้วยตายแห่งกิเลสแล้วไม่ตืบพืชผลคือกุศลากุศลต่อไปกุศลนอกุศลก็เกิดไม่ได้อีกต่อไปแล้วดังต้นไม้มีดอกและผลอันเป็นพิษ บุรุษผู้หนึ่งตอกต่อยด้วยหนามกระเบนอันกำซาบด้วยยาพิษในพิษทั้งสีต้นไม้นั้นเมื่อต้องสัมผัสแห่งยาพิษแล้วก็ตายเพื่อรถแห่งปัตวีธาอาโปธาซึ่งซึมซาบนั้นแห้งหายไปด้วยสัมผัสยาพิษนั้นแล้วเป็นต้นไม้ไม่เพ็ดดอกออกผลได้ต่อไปฉะนั้นมักคะวิภาวนาก็จบเพราะฉะนั้นเจ้ากิเลสที่ถูกนักละเนี่ยนะ ไม่ใช่กิเลสเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ว่าหมายถึงกิเลสที่เมื่อไม่ได้ทําปราิญญาไม่ได้กําหนดรู้ทุกข์ไม่ได้ละสมุทัยได้กาหนดรู้ขันห้าไม่ได้เจริญธรรมถาวิปัสนาในขันห้าไว้เนี่ยมันก็ยังจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อมีปัจจัยแต่ว่าเมื่อเจริญธรรมถาววิปัสนาทําปริญญาในทุกข์ไวเเ้เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยมันก็นเหมือนทำมีภูมิป้องกันเอาไว้กิเลสก็ไปเลยไปเกิดอาศัยขันห้าเกิดขึ้นไม่ได้ขันห้าเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสนาภูมิเปป็นภูมิของัญญา ที่เป็นวิปัสนาแต่ว่าถ้าไม่เจริวิปัสนาในขันห้านั้นขันห้านั้นก็เรียกว่าเป็นกิเลสภูมิเหมือนกันเรียกว่าภูมิรัตถุปัณกิเลสกิเลส ท, ที่ได้ภูมิคือได้อาศัยปันห้าที่ไม่ได้ทําปัญญาเรียบร้อยนั่นแหละเกิดขึ้นนันก็ให้รู้ว่ากิเลส ท, ที่มรรคละนั้นไม่ใช่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นกิเลส ท, ที่ถ้าไม่เจริวิปัสนามรรคไม่เกิดแล้วกิเลสนี้จะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมรรคเกิดแล้วจึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกับว่า ไปทําหมันไว้ไปทําหมันไว้แทนที่จะมีเด็กเกิดเด็กก็ไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าการทําหมันนั้นไม่ใช่เป็นการไปฆ่าเด็กเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเกิดทำหมันถาวรได้ไม่ต้องมีเด็กเกิดอีกเลยก็ไปตัดสายไอ้ที่ยึมจะทำมาให้อาตุกิเคลื่อนออกมาหรือว่ารังไข่ไปถูกมัดรัดรังไข่ของสตรีก็ไม่สามารถที่จะมีอาตุกิเคลื่อนเข้าไปก็จะไม่มีเด็กเกิดอีกต่อไปแล้ว น, นี่ก็เหมือนกัน อันก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำหมันกิเลสคดอการอบรมอริยมรรคในองแปดเจริญไตรสิกขาแล้วก็อบรมสมถะวิปัสนาเพื่อเป็นปจัจจัยต่อการที่จะทำให้กิเลสสิ้นไปในอนาคตนั้นใกล้นี้ขออนุโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุ